ชาวพุทธต้องมีเป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องวงเล็บเปิด28พฤศจิกายน2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดชาวพุทธต้องมีสตินะต้องตั้งหลักให้ดีฝ่ายธรรมะกับอาธรรมมันแตกต่างกันตรงไหนมันไม่ได้ต่างที่เป้าหมายอย่างเดียวต้องดูที่วิธีการด้วยฝ่ายธรรมะจะบอกว่ามีธรรมะทำเพื่อธรรมะต่อสู้เพื่อธรรมะแต่ใช้วิธีของอาธรรมไม่ได้ ใช้วิธีที่ผิดศีลธรรมไม่ได้สมัยโบราณที่อินเดียมีพี่น้องรบกันสองพวกพวกปันดบกับพวกเการบรบกันฝ่ายยุธิสัิยละเป็นฝ่ายธรรมะถูกกงบอลลังฝ่ายทุรโ ย, ยดเป็นฝ่ายชั่วร้ายแย่งบลลังเขาพวกนี้ทำสงครามกันนะยุธิสฐิระนี่มีคุ ณ, ณธรรมสูงเวลาแกขึ้นรถสึกนะรถของแกจะลอยอยู่เหนือพื้นล้อรถไม่แตะพื้นเลยเพราะมีบุญบารมีมาก ในเวลาทำสงครามแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นอาจารย์ของยุท ธ, ธิสถิระคืออาจารย์โทรณะอาจารย์โทรณะนี่ฝีมือดีพวกยุ ธ, ธิสถิระสู้ไม่ไหวทีนี้อาจารย์มีลูกชายคนหนึ่งมาร่วมรบด้วยฝ่ายพีมะซึ่งเป็นน้องของยุท ธ, ธิสถิระได้เอากระบองไปตีช้างตัวหนึ่งตายช้างตัวนี้มันชื่อเหมือนลูกของอาจารย์โทรณะวงเล็บเปิดชื่ออศวตตะ ถ, ถามาวงเล็ปิด พอตีช้างตายก็ตะโกนบอกว่าอิตาคนนี้ในวงเล็บอัศวตถามามันตายแล้วเล่นนะเล่นะเล่นเล่นิดเดียวอาจารย์ได้ยินว่าลูกตายนะหมดกําลังใจวางธนูลงวงเล็บเปิดธนูวิเศษชื่อว่าพรมมาศวงเล็บปิดอยู่บนรถศึกแล้วหันมาถามยุติสัตถิระซึ่งขึ้นชื่อว่ามีคุณธรรมว่าจริงเหรอที่ชื่อนี้ตายแล้วยุธิสถิระก็บอกว่าจริงแล้วพูดเบาๆว่า แต่เป็นช้างนะเครื่องหมายดอกจันท์อธิบายเครื่องหมายดอกจันทคําว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดอัศวตตะทธ า, ธามาตายจริงปิดเครื่องหมายคําพูดนั้นยุท ธ, ธิสัตยุระตรัสออกมาดังๆส่วนเครื่องหมายคําพูดเปิดแต่เป็นช้างนะปิดเครื่องหมายคําพูดนั้นตรัสค่อยๆซึ่งในท่ามกลางเสียงโกลาหนโอลหมานในสนามรบโทรณาจารย์จึงได้ยินแต่คําพูดในประโยคแรกเท่านั้น จบอธิบายเครื่องหมายดอกจันทร์วงเล็บเปิดผลแห่งการกล่าวคําอาสัตย์ทําให้วงเล็บปิดรถสึกของแกที่ลอยเหนือพื้นนะตกลงมาติดดินเลยเครื่องหมายดอกจันทรที่สองอธิบายเครื่องหมายดอกจันทที่สองส่วนโทราณาจาร์เมื่อไม่มีอาวุธจึงถูกทริสตะทยุมันแม่ทัพนายหนึ่งของฝ่ายปานดบกระโดดขึ้นไปบนรถศึกของโทราณาจาร์ใช้ดาบตัดศีรษะพราหมูเท่าตายภายในพริบตาเดียว จบอธิบายเครื่องหมายดอกจันที่สองนี่เขาสอนดีนะของฮินดูเขาสอนดีว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องเลือกวิธีการไม่ใช่ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่เลือกวิธีการวิธีการที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ควรทำนะชาวพุทธนะ่ะต้องตั้งหลักตั้งสติให้ดีไม่งั้นธรรมะกับอาธรรมจะแยกกันไม่ออกเมื่อก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากทางานเผยแพ ร, พร่อะไรอย่างนี้แต่ไม่มีศีลมีธรรม โกหกก็ได้หลอกลวงก็ได้อะไรก็ได้ลงว่าอยากเผยแพร่อย่างนั้นทำไม่ได้นะเราก็รับไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ว่าเป้าหมายดีงามและวิธีอะไรก็ได้ชาวพุทธต้องดูวิธีการที่เราเป็นชาวพุทธได้เพราะวิธีการต่างหากอย่างเราพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจใช่ไหมสอนให้นิพพานสิ่งที่ต้องละให้ได้คือตัณหานิครนสอนอันเดียวกันเปียบเลย นิครนก็สอนนิพพานเหมือนกันนะนิครนสอนให้ละตัณหาเหมือนกันเป้าหมายอันเดียวกันเป้าหมายดีไหมดีด้วยกันทั้งคู่เลยแต่วิธีการตังหากที่ต่างกันวิธีการของชาวพุทธใช้วิธีการของสติของปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาวิธีการของนิครนใช้ทรมานเอาทรมานกายชดใช้บาปกรรมที่ทามาแล้วบาปกรรมหมดไปแล้วจิตใจจะได้ไม่กระทากรรมใหม่ไม่มีตัณหาอะไรขึ้นมา นี่ความแตกต่างอยู่ที่วิธีการพศ2504มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราเราพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเอาอย่างฝรั่งอยากเพิ่ม GNP GDP เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมเราทำลายรากฐานวัฒนธรรมทำลายทรัพยากรโครงสร้างสังคมเปลี่ยนโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วตั้งแต่นั้นมาครอบครัวมาถึงวันนี้เป็นครอบครัวที่แตกสลายไปแล้ว สถาบันหลักๆทั้งหลายเสื่อมลงไปหมดเลยเรามุ่งที่จะแข่งกันผลิตแข่งกันบริโภคขาดสติขาดปัญญาเราทำลายทรัพยากรไปหมดแล้วแทบไม่เหลืออะไรต่อไปข้างหน้านี่เรามาอยู่ในยุคนี้เราช่วยอะไรไม่ไหวแล้วต้องพัฒนาจิตใจของเราให้รู้เท่าทันอย่าตกเป็นเหยือ่อประชาชนทั้งหลายนะมันตกเป็นเหยื่อตลอดตกเป็นเหยื่อของผู้ปกครองตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าของอะไรอย่างนี้ทุกคนเป็นเหยื่อซึ่งกันและกันนะ ไอ้สาวๆก็เป็นเหยื่อของหนุ่มหนุ่มก็เป็นเหยื่อของสาวได้ยุคนี้ผู้ชายก็เหมือนดอกไม้ริมทางหลวงพ่อเคยได้ยินนะผู้หญิงบอกผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางมันมองทุกคนเป็นเหยื่อมองทุกคนแบบเป็นเหยื่อเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นจากความเป็นเหยื่อต้องมีสติต้องมีปัญญาดํารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลเราถูกคนอื่นหลอกได้เพราะเราหลอกตัวเองก่อนเพราะเราโงา่ฉะนั้นเราต้องพัฒนาจิตใจของเรานะ มีสติไว้รู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กิเลสตัณหาจะครอบงําจิตไม่ได้จิตใจเราจะเป็นอิสระคราวนี้เราจะคิดอะไรเราก็คิดสิ่งที่ดีจะทําอะไรก็ทําที่ดีใช่ไหมเป้าหมายก็ดีเป้าหมายคือทําอะไรเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่ประโยชน์สุขของเราคนเดียวชาวพุทธทําประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ประโยชน์ของเราเราพัฒนาจิตใจของเรามาทีนี้พอเราพัฒนาแล้วเราก็ต้องทำประโยชน์ถ่ายทอดธรรมะออกไปช่วยเหลือคนอื่นวิธีการก็ต้องเลือกใช่ไหมไม่ใช่วิธีการแบบไปโกหกเขาไปหลอกเขาให้มานับถือาศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่วิธีการของพุทธเลยบางแห่งบางลทัทธิเขาใช้วิธีจ่ายเงินจ้างเขาไม่เลือกวิธีการใช้วิธีปลอมปนเข้ามาในหลักธรรมของาศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้ เขาไม่เลือกวิธีการชาวพุทธต้องเลือกวิธีการนะวิธีการที่เราใช้ต้องสะอาดต้องมีศีลมีธรรมไม่ใช้วิธีการที่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อหวังสิ่งที่เราต้องการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกถึงจะแขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นไม่ต้องห่วงคนอื่นคนไกลก่อนให้ช่วยตัวเองก่อน พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับมีฐานไฟกระจายมาในท้องฟ้าตกลงบนหัวของทุกคนเราต้องปัดไฟบนหัวของเราให้ได้ก่อนค่อยไปปัดให้คนอื่นฉะนั้นเราต้องเรียนธรรมะให้เข้าใจนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราถึงจะช่วยคนอื่นได้อย่างแท้จริงถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไปช่วยคนอื่นนะมันไปพาคนอื่นเข้ารกเข้าพงไปอีกยิ่งเสียหายหนักขึ้นไปอีกให้รู้เอานะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ โลภโกรธหลงก็รู้มันเป็นอย่างไรก็รู้รู้ลูกเดียวรู้ไปเรื่อยรู้จนปัญญามันแจ้งจะเห็นเลยนะ <c oughs> จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้หรอกถูกบีบคั้นนี่ร่างกายก็มีเวทนาบีบคั้นตลอดเวลาจิตใจก็ถูกตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ของถูกบีบคั้นมีแต่ทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ไม่เป็นอย่างที่อยาก นี่เฝ้าดูของจริงให้เห็นของจริงคือให้เห็นไตรลักษณ์ดูของจริงคือดูกายดูใจในปัจจุบันนี้ไม่ใช่กายหรือใจในอดีตหรือในอนาคตดูของจริงคือดูในปัจจุบันนี้ดูให้เห็นความจริงก็คือความเป็นไตรลักษณ์ดูจนกระทั่งยอมรับความจริงทีแรกเห็นของจริงก่อนคือกายกับใจนี้ดูให้เห็นความจริงของมันคือความเป็นไตรลักษณ์ของมันดูจนกระทั่งจิตยอมรับความจริง จิตที่ยอมรับความจริงว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนั่นก็คือจิตของผู้ทรงธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะภาวนาหัดรู้สึกตัวไปวันหนึ่งก็จะเข้าถึงธรรมะด้วยตัวของเราเองจิตใจที่เคยมีความทุกข์มากก็จะทุกน้อยลงน้อยลงนะสติปัญญามันค่อยแก่กล้าขึ้นเรื่อยเรอยเราก็จะไม่ไปทาเรื่องเหลวไหลอย่างประเภทการุณ น, นยาคาดเคยได้ยินไหมการุณ น, นยาคาด าด้วยความกรุณาอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการของชาวพุทธนะหรือว่าไปทําเรื่องวุ่นวายจับคนไปขังอะไรอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่วิธีของชาวพุทธเลยเพราะมันเป็นวิธีที่เบียดเบียนฉะนั้นพวกเราชาวพุทธแท้ๆเราอย่าไปทําอะไรที่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองอย่างไรปรุงแต่งโทสะขึ้นมามีแต่ความโมโหคับแค้นทะเลาะวิวาทนะนี่เบียดเบียนตนเองก่อนนะ เบียดเบียนผู้อื่นคือทําต่อไปอีกเราต้องดํารงชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเราจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราพ้นทุกข์แล้วเราจะได้ชักชวนคนซึ่งเขามีความพร้อมให้เขาเดินทางร่วมกับเรามาเป็นเพื่อนร่วมทางกันมาเดินทางกับหลวงพ่อเอาไหยใครจะกล้าเดินบ้างพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งร่องรอยไว้นะแต่ร่องรอยของท่านดูยากร่องรอยของพระอรหันต์เหมือนรอยเท้านกในอากาศดูยากนะ ฉะนั้นใจของเราต้องเข้าถึงจริงๆเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเราจะเคารพพระธรรมที่สุดเราจะรู้ว่าพระสงฆ์ก็มีจริงๆเราจะมีที่พึ่งที่อาศัยจริงๆโลกนี้กระเพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไปกับโลกจะอยู่อย่างมีสติมีปัญญาอยู่อย่างไม่ทุกข์ต้องฝึกตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้หรอกไม่มีใครช่วยใครได้ต้องช่วยตัวเองให้ได้ ให้เวลาให้โอกาสแก่ชีวิตของเราเองด้วยการศึกษาธรรมะคนซึ่งไม่ศึกษาธรรมะคือคนซึ่งไม่ให้โอกาสในชีวิตตัวเองนะ